อันเตปุระสิกขาบทที่หนึ่งความว่าพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นชาติกษัตริย์ได้มูรธาพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วทั้งพระมเหสีด้วยอยู่ในห้องที่บรรทมทั้งสององค์องใดองค์หนึ่งยังไม่เสด็จออกและพิกจุใดไม่ให้ทูลให้ทรงทราบก่อนล่วงธรณีพระทวารห้องพระบรรทมเข้าไปเท้าทีแรกเป็นทุกกดเท้าที่สองเป็นปาจิตตีถ้าจะเข้าไปหา ในวังในห้องพระราชาถ้ามีเหรษฐียิงอยู่ด้วยนี่ยังไม่บอกให้รู้ก่อนทีต้องบรตรปฏิตินสิกขาบทข้อนี้ก็เป็นกถินน้ำสมุทฐานมีสมุทฐานสองคือกายวาจาอย่างหนึง่งแล้วก็กายวาจาจิตอย่างหนึง่งเป็นกิริยะกิริยาต้องพราะธรรมก็คือการเดินเข้าไปแล้วก็อานกิริยาคือไม่บอกโนสัญญวิโมอกอาจิตกะปันนติวชัชกายกรรมจีกามีจิตสามเวทนาสามต่อไปในรัตนักสิกขาบทที่สองความว่า ทิ้ใดถือเอาเองหรือให้ผู้อื่นถือเอาซึ่งรัตนะมีแก้มุกดาดเป็นต้นหรือของสมมุติว่าเป็นรัตนะถือของใช้สอยสิ่งใดสิงหนึ่งแห่งมนุษย์ซึ่งเขาลืมตกอยู่ในแผ่นดินที่อื่นพ้นจากภายในอาดามและภายในที่พักอาศัยอยู่เป็นปาจิตตีเป็นปาจิตตีนะถ้าตกนอกวัดจะดีเก็บของเข้าไม่ได้นะถือเอาเองหรือให้ผู้อื่นถือเอาซึ่งทองและเงินเพื่อตัวเองต่อบัล น, น้สักยปจิตตี เพื่อสงถ้าให้เพื่อสงจะเก็บเอามาเพื่อสงเพื่อคณะบุคคลแม้จะดีแม้แนวัตกรรมก็เป็นทุกกฎในแก้มุกดาเป็นต้นนอกนั้นเพื่อตนหรือว่าผู้อื่นทั้งปวง ก, ก็เป็นทุกกฎจำสิ้นถ้าเป็นวัตถุของทุกกฎเนี่ยนะก็อาบัตรทุกกฎไปเก็บม า, ากับอิยะวัตถุหรือว่าอกับอุยะวัตถุโดยที่สุดแม้เป็นของมันดาเก็บไว้ดังคนรักษาเรือนคลังก็เป็นปฏิจติ ด, ด้วยเพราะว่าไปรับฝากของก็ถัด เก็บไว้ในสาห์ น, นี้ด้วยกระทําของเช่นนั้นให้เป็นของของตัวแล้วจึงเก็บไว้ควรอยู่ถ้ามันด่ามาฝากเอาไว้ก็เอาถือวิสาสะเลยถ้าเป็นของตัวเลยก็ไม่เป็นอบัติแต่ถ้รับฝากในฐานะรักษาดือ น, น, นคำก็เป็นปจิตีก็แต่กระหัสกล่าวว่าท่านจงช่วยเก็บของนี้ไว้ถึงห้ามเสียว่าไม่ควรถ้าเขาโกรธทิ้งไว้แล้วไปเสียชื่อว่า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 แม้ในภายในอาราม ห, หรือว่าภายในที่พักอาศัยอยู่ในที่เช่นไรเขาจักรังเกียจว่าเชรอยพิกจุและธรรมเนมจกถือเอาของตกอยู่ในที่เช่นนั้นพึงถือเอาเองก็คือถ้าตกอยู่ในวัดเนี่ยนะเขาจะสงสัยหรือว่าเกิดสังเกตได้ว่าพระภิจุถือเอาของไป น, นก็ให้เก็บเอาไว้หรือให้ผู้อื่นถือเอาแล้วนับหมายเก็บไว้แล้วพึงบอกว่าของผู้ใดหายหผู้นั้นจงมาเอาเถิด ถ้าผู้ใดมาพึงถามผู้นั้นว่าของอย่างไรของท่านหายถ้าเขากล่าวถูกตามหมายไซตก็พึงให้ถ้าเขากล่าวไม่ถูกไซตพึงว่ากตะขา ว, ว่าท่านจงหาเอาเถิดถ้าพิสุจกไปจากอาวาสนั้นจึงฝากไว้ในมือของพิสุผู้สําควรเมื่อพิสุเช่นนั้นไม่มีพึงฝากไว้ในมือของคหรหาบดีผู้สมควรแล้วจึงไปก็แล้วพิสุใดไม่ไปจากอาวาสและไม่เห็นเจ้าของเธอนั้นพึงเอาของนั้น ให้เขาทําเสนาสนะหรือเจดีหรือสับรคารณีซึ่งเป็นของถาวรถ้าล่วงการนานไปเจ้าของมาไซพึงแสดงของถาวร น, นั้นว่าให้อนุโมทนาเอาเถิดเอาไปสร้างกุฏิวิหารสับรคารณีไปแล้วใหุ้โมทนานะถ้าเขาไม่อนุโมทนาเขาทวงจะเอาไซจะเอาของเข้าคืนพึงยังผู้อื่นให้ถือเอาเป็นของของตนแล้วก็ใช้ของเข้าไปก็คือ บอกกับใครก็ได้ประสงบ์ราชการที่ปรนนารไว้นะว่าเนี่นะอ้ามีเรื่องอย่างนี้เขามาทวงเอาของก็คือแล้วทํายังไงเอาไปสร้างกุฏิวิหารแล้วถ้าเกิดใครก็เอากุฏิวิหารนของตัวเองแล้วก็เอาเงินไปใช้นี่เอาของไปใชก้ก็ได้นะของเขาตกในภายในอาดามหรือที่พักอาศัยซึ่งเป็นที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไม่ถือเอาเก็บไว้ด้วยไม่เอื้อเฟือเป็นทุกกฎถ้าของตกแล้วก็ไม่เก็บเอาไว้ถ้าตกในวัด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 แต่ในวัดเขเก็บเองก็ได้ใช้ไหเก็บก็ได้ไม่มียบัตมีองค์สี่ก็คือใช่เหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตหมายถึงว่าไม่มีเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเลยข้อที่สองเป็นของของผู้อื่นก็อทีา่าไม่มีความถือเอาด้วยวิสายตะและบางสกุลสัญญาข้อที่สี่ก็คือถือเองหรือว่าให้ผู้อื่นถือเอาของนั้นพร้อมด้วยองค์สี่นี้จึงเป็นปาสิตีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับสัญจริตติคาบทนะซึ่งก็เป็นการชักสื่อมีสมุทฐานหก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 มีการดวนหรือว่าบอกลาภิกษุที่มีอยู่หรือภิกตุไม่มีไม่บอกลาเข้าไปหรือไปอารามในระหว่างบ้านและที่อยู่นางภิกษุณีหรือที่อยู่ของเดรัถถีรงฉันแห่งใดแห่งหนึ่งก็ดีหรือเดินไปตามทางที่ไปตามระแวก บ, บ้านหรือมีอันตรายและภิกตุบ้านเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่เป็นอาบัติสิกขอบทข้อนี้เป็นอนานติกะใช้ให้ เข้าไปในบ้านในวิการนี้บอกลาก็ามีเป็นอรรบัติหลักคนใช้มีองค์สามก็คือไม่บอกลาที่ตัวที่มีอยู่หนึ่งไม่มีเหตุซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตหนึ่งเข้าไปบ้านในวิการหนึ่งพร้อมด้วยองค์สามนี้จึงเป็นปาจิตติสมมุตทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับปฐมกถินทิศาบทก็คือสมุทฐานสองกายวาจาอย่างหนึ่งกายวาจาคิตอย่างหนึ่งแต่ว่าทิศาบทนี้เป็นกิริยากิริยะกริยากิริย ะ, ยะเป็นทั้งทำแล้วก็ไม่ทํา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 ทำแล้วได้มาก็เป็นเพดานกะปาจิตตีจะต้องปล่อยกล่องเข็มนั้นเสียแล้วจึงจะแสดงอับัตตกนี่ก็เป็นจตุกะปาจิตตีข้อนี้เป็นจตุกะปาจิตตีก็คือตนทำค้างอยู่แล้วก็ตนทำเองให้เสร็จประตามก็เป็นอับัตปาจิตตีตนเองทำค้างอยู่ตนเองทำให้เสร็จประตามหรือว่าให้ผู้อื่นทำเสร็จปรตามหรือว่าผู้อื่นทำค้างอยู่ตนเองทำให้เสร็จหรือว่าใช้ผู้อื่นทำให้เสร็จปรตาม ทั้งสี่อย่างนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้มาก็เป็นปฏิตีทั้งนั้นทําเองหรือให้ผู้อื่นทําเพื่อคนอื่นก็ดีและคนอื่นทําได้มาบริโภคก็ดีเป็นทุกกฎได้ของผู้อื่นมาก็เป็นทุกกฎมันใช้ไม่ได้ทําลูกดุมและธนูไม้สีไฟและลูกทวิลและกระบอกยาตาและไม้ดามยาตาไม้ด่ามมั้งและธรรมะกรดกเหล่านี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วด้วยกระดูกเป็นต้นก็ดี และพิกตุบ้าเป็นต้นไม่เป็นอาบัตเป็นอนาบัตสิกขาบทข้อนี้ก็เป็นสารนัติกะใช้ให้เขาทําก็เป็นอาบัติด้วยมีองค์สามก็คือเป็นกล่องเข็มหนึ่งแล้วด้วยกระดูกเป็นต้นหนึ่งทำเองหรือว่าให้ผู้อื่นทําเพื่อตนได้มาหนึ่งทำด้วยกระดูกก็ตามงานก็ตามเขาก็ตา ม, าตามพร้อมด้วยองค์สามนี้ก็เป็นอาบัตปจิตีสุบุทานวิธีก็เหมือนกับสัญจริญตสิกขาบทก็สุบุทานหกต่อไปก็สุบุทานหกทั้งนั้นเลย ในเฉดาน ก, กะสิกขาบทที่ห้าความว่าทิศุเมื่อจะทำเองหรือว่าให้ผู้อื่นทำซึ่งเตียงหรือตังเพิ่งทำให้เท้าสูงแปดนิ้วด้วยนิ้วสุขตเว้นไว้แต่แม่แคล่บึ้งต่ำเมื่อทางเท้าให้สูงกว่าประมาณนั้นไปก็เป็นเฉดานกกะปฏิตตีจะต้องตัดเท้าให้เพอยประมาณตอนจึงจะแตงอบัตตกตังนั้นรีไม่ยาวนักดังเตียง ไม่สี่เหลี่ยมดังอาสันทิจาสันทินี้สี่เหลี่ยมตังนี้จะสั้นกว่าเตียงแต่ว่าก็จะยาวกว่าอาสันธิอาสันทิเปนี่เหลี่ยมตังนั้นรีนะรีไม่ยาวนักให้ขอทมให้พอประมาณหรือว่าเกินประมาณได้มาแต่ว่าตัดเสียให้พอประมาณและฝังลงไปในพื้นให้เหลืออยู่พอประมาณหรือทำเป็นเพดานผูกเป็นร่างร้านบริโภคก็ดี ในปัจุบันเป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นอนาบัตคือไม่เป็นอาบัติมีองคศอก็คือเตียงหรือตังร่วงประมาณหนึ่งทำเองหรือว่าให้ผู้อื่นทําเพื่อตอนแล้วได้มาหนึ่งพร้อมด้วยองศางนี้ก็เป็นปาจิตตีไ่ได้ใช้ก็เหมือนกับสูจิคระนะมีสมุมฐานหกเหมือนกันนี่ก็เป็นสาหติกะด้วยใช้คนอื่นทําได้มาก็เป็นอาบัตเหมือนกันต่อไปตูโรนัททศสิก ข, ขาบทที่หกความว่า ทิชสุดายทำเองหรือว่าให้ผู้อื่นทำซึ่งเตียงหรือตังหุ่มนุ่นข้างในเป็นอุดดาลนักกะปาจิตตีต้องเลิกนุ่นออกเสียก่อนจึงแสดงอาบัตตกในอายโยคะก็คือผ้ารับเขา่าและประคตสายโยกบาทและถุงบาทผ้ากรองน้ำหมอนเหล่านี้ยัดนุ่นไม่มีโทษเจียงตังคนอื่นทำหุ่มนุ่นได้มาแล้วก็เลิกก็คือรือเสียบริโภคดีและไิถูุบ้าเป็นต้นเป็นอนาบัต สิกขาปท้นี้ก็เป็นสารนิติกรรเหมือนกันมีองศสองก็คือเตียงต่งหุ้มนุ่นอย่างหนึ่งทําเองหรือว่าให้ผู้อื่นทําเพื่อตนแล้วก็ได้มาอย่างหนึ่งพร้อมด้วยองศองนี้ก็บัตรปฏิทินสูตฐานก็หกเหมือนกันวิจัยรองนี้ก็เหมือนอย่างเดิมต่อไปในนิสิตนะสิกขาบทที่เจ็ดความว่าพิสูจนจะทําเองหรือว่าให้ผู้อื่นทําซึ่งนิสิธนะผ้าสําหรับรองนั่งพึ่งทําให้ กอบด้วยประมาณประมาณนั้นโดยยาวสองคืบในกว้างคืบครึ่งชายอีกคืบหนึ่งนั่นคือพระสุคตเมื่อทําให้กว้างยาวเกินนั้นไปต้องเฉดหน้นกะปราจิตตีตัดเสียให้พอประมาณก่อนจึงจะแสดงอะตะัตตกนี่สีธนะนั้นเป็นผ้ารองนั่งอย่างหนึ่งมีชายด้วยชายที่ลาดลงดังสันทัดแล้วผ่าเข้าไปสองแหงในที่สุดข้างหนึ่งสับคืบพระสุคตทําให้เป็นสามชาย ทำให้พอประมาณหรือว่าย่อนกว่าประมาณและคนอื่นทำเกินประมาณได้มาตอบเสียให้พอประมาณแล้วบริโภคจะเอาทำเกดานเป็นต้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดีและที่ถูกบ้านเป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นอนาบัติสิการมประเภท น, นี้ก็เป็นสารนักจิกะใช้คนอื่นทำก็ได้มาเป็นอนบัติเหมือนกันมีองคศอก็คือผ้านิสิตนะนั้นล่วงประมาณอย่างหนึง่งทำเองหรือว่าให้ผู้อื่นทำแล้วได้มาอย่างหนึง่งพร้อมด้วยองคศานี้ก็เป็นปาจิตตีไม่ได้ใช่นอกนี้ก็เหมือนกัน ก็คือสมุทฐาน6กต่อไปการดูปฏิจฉาดิสิกขาบทที่แปดความว่าพิษุทําำเองหรือว่าใช้ให้ผู้อื่นทำซึ่งผ้าปิดฝีพึงทำให้กอบด้วยประมาณประมาณนั้นโดยยาวสี่คืบกว้างสองคืบด้วยคืบพระสุคตทำให้กว้างยาวกว่านั้นต้องเฉดนาคะปาจิตตีตาเสียให้พอประมาณก่อนจึงแสดงอาบัตตกท้าปิดสีนี้พระองค์ทรงอนุ ญ, ญาตแจกพิสุ ซึ่งเป็นหีดเป็นฝีแผลเปลื่อยแล้วก็ใต้กะดือลงมาเหนือเขาขึ้นไปเพื่อจะปิดแผลเหล่านั้นดาวประค่า น, นี้ก็เป็นสานาักจักสุบฐานหกเหมือนกันสุบฐานหกก็คือกายอย่างหนึง่งวาจาอย่างหนึง่งกายวาจาอย่างหนึง่งคนนี้อาจิตติกะสามอย่างแรกกายจิตอย่างหนึง่งวาจาจิตอย่างหนึง่งกายวาจาจิตอย่างหนึง่งแล้วก็เป็นโนสัญญาวิโมกอาจิตติกะปัญ น, นาติวาชาัชชะ กกรรมจีกรารจิตสามเวทนาสามเหมือนกันเป็นกิริยาเพราะว่รทำถือว่าได้มาไม่ตัดเป็นกิริยาต่อไปในวัตสิกะสาติกาสิกาปทิกาความว่าเพียกตุวทาเองหรือว่าให้ผู้อื่นทํำซึ่งวัตสิกาสาติกาถ้าอาดน้ําฝนพึงทําให้กรอบด้วยประมาณประมาณนั้นโดยยาวหกคืบกว้างสองคืบครึ่งด้วยคืบพระสุคตทําให้กว้างยาวกว่านั้น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 โดยกว้างหกคืบด้วยคืบพระสุคตไม่ได้ใช่นอกนั้นทั้งปวงในสามสิกขบทนี้ก็พึงรู้โดยในดังกล่าวแล้วในนิสีดนาสิกขาบทนั้นเถิดก็คือสุตรฐานก็หกเหมือนกันในนิสีตนะณี้ก็มีสูตรฐานหกเป็นกิริยาโนสัญญโยโมกอจิทกะปันติวัชะไตรกรรมจีกรรมสิบสามแล้วก็เวทนาสามถ้าสมังสิกขบทที่ข้อที่สิบจบ นวโมวโคในวัดที่เก้านี้จบลงแล้วพฤติกรรมเจตีทั้งหมดจะกล่าวประมาณตามคำภีสุขตะวิทัตทิวิธานประกรคือพระสุคตนสิบหกนิ้วกับสองอนุกระเบียดแห่งช่างไม้ทุกวันนี้แั่ก็มีขนาดเท่ากับสิบหกนิ้วกับสองอนุกระเบียดแต่ว่าก็ต้องดูว่าคมพีอื่นไว้ยังไงเพราะมีหลายคำภีแล้วเทียบเคียงกัน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 กับสามกระเบียดแห่งช่างไม้ทุกวันนี้กระเบียดหนึ่งนี้แบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งชื่อว่าอนุกเบียันนี้ก็เป็นสุนที่กิดปาจิตติจบแล้วสุวนที่กิดปาจิติยวันนันานิทิตาต่อไปก็จะเป็นการพันนานานิกขาบทแห่งปาติเดสนิยะเรือว่าปาติสนียาบัตปาติเดสนิยาบัตานั้นมีสิกขาบทสี่ สิกขบท ด, ด้วยกันสิกขบทแรกความว่านางภิกษุนีอุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายผู้ที่มิใช่ญาติอยู่ในละแวก บ, บ้านมีตรอบเป็นต้นถวายของเคี้ยวของฉันซึ่งเป็นอาหมิดด้วยมือของตนภิกตุใดยอยู่ในบ้านหรือว่าในที่อื่นก็ตามรับแต่มือของนางภิกษุนีนั้นด้วยมือตนเพื่อจะฉันเป็นอาหารเป็นทุกข์กตพรรต กลืนกินต้องอาบาตาัตปาติเตสัญญาทุกคำกลืนเลยสิขกาขาบทข้นี้ก็สมุทฐานเหมือนกับเอรักโรมะสมุทฐานกายอย่างหนึ่งกายจิตอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นกิริยาโนสัญญาวิโมกขจิตตกะปันนติวะชะกายกรรมมีจิตสามเวทนาสามในสิขกขาบทที่สองของปฏิเดสัญญาความว่าที่สุดทั้งหลายมากด้วยกันทายกนิมนต์ด้วยโภชนะห้าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ฉันอยู่ในตระกูลในตระกูลนั้นถ้ามีนางพิกสณีมายืนหรือมาสั่งเสียขายกเตือนขยกให้เติมแกงเติมข้าวสุกแก่พิจุตามมิตรตามเสหายพิษุทั้งหลายพึงขับนางพิกสณีนั้นให้ไปเสียกว่าจะฉันแล้วถ้าแม้พิจุแต่องค์หนึ่งไม่ขับเสียใช้ก็คือไม่ไล่นางพิกสณีออกไปเนี่ยนะว่าเธอจงหลีกไปเสียตลอดเวลาที่พิจุฉันอยู่เนี่ยครั้นเธอทั้งหลายรับอามิตรเพื่อจะกลืนกินเป็นทุกข์ก็ทรับ การินก็เป็นปาติเบสัญญัติทุกคำกลืนเลยแต่ว่าสิกขาบทข้อนี้ก็เป็นกระสินทุบฐานกรณ์ทุบฐานตอนแรกก็คือมีทุมฐานสองกายวาจายอย่างหนึ่งกับกายวาจาจิตอย่างหนึ่งเป็นกิริยาด้วยอคิริยาด้วยโนสัญญาวิโมกอจิตตกะปานติวัชชะิกรรมจีกรรมจิตสามเวทนาสามต่อไปสิกขาบททีษษ่สามถามว่าตระกูลใดเป็นโสดาบัน สงให้เสกขสมุติด้วยยติทุติยกรรมาวาจาแล้วทิศสุดัยเขายังไม่ได้นิมนต์กนแต่ลงสู่อุปจาระเดือนและไม่เป็นไข่ลงตู่อุปจาระเดือนรับอามิตรในเสกขตระกูลนั้นเป็นทุกข์ดเพราะรับก่อนรับแล้วฉันในที่อันใดอันหนึ่งต้องปาติเดสัญญาทุกคําคลืนเลยอันนี้ขัสมุตฐานก็เหมือนกับปฏิเดสัญญข้แรกเป็นเอรักโรมสมุษษทฐานมุตฐานสองกายอย่างหนึ่งกายชิตอย่างหนึ่ง เป็นกิริยาโนสัญยญวิโมกขอจิตตะปันนติวชะกากรรมแล้วก็เจ็ดสามเวทนาสามต่อไปในสิกขาบทข้อที่สี่ิปาสิเดสนิยะน้ความว่าอารัญยิกะเสนาชนะคือวัดป่าอันได้ก่อไปด้วยความรังเกยียจและภัยดังกล่าวแล้วในสาสังกับสิกขาบทก็คือมีโจรคอยซ่องถุมทำร้ายคนอื่นอยู่เพียุใดายอยู่ในเสนาสนะนั้น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 กายวาจาแล้วก็กายวาจาจิตกิริยากิริยะโลสัญญาวิโมกขจิตติกามตันติวัชชะกายกรรมจีกรมกกกรมแล้วก็จิตตามเวทนาการอาบัตปาติเดสัญญะในสี่ทิฆาบทนี้คาแสดงในเบื้องต้นพระว่าดังนี้าาาอาไรหั่งอวุโสหรือว่าอาไราหั่งพันเตทำ ม, มังอาปัตชิงอสัพพยังปาติเดสัญญาังทางติเดเทมีตินะครับเจ้าต้องทําที่นาติไม่เป็นที่สบายควรจับแสดงคืนกับเจ้าขอแสดงเคลื่อนทำนั้น ถ้าหลายองค์ก็บอกว่าปาติเดเสมะแทนปาติเดเสมิเป็นคําไทยก็ว่าข้าเจ้าได้ต้องซึ่งทำอันพระพุทธเจา้าตึงติเตียนไม่เป็นที่สบายชื่อว่าปาติเดสัญญาจะพึงปรับแสดงหรือว่าจะพึงแสดงเฉพาะข้าเจ้าแสดงธรรมนั้นคําถามคํำรับต่อไปก็เหมือนกับการแสดงอับบนอื่นนะ่อท่านเห็นหรือข้าเจ้าเห็นอยู่ขอท่านจงระวังสํารวจต่อไปข้าเจ้าก็จะระวังสํารวมต่อไปอันนี้ก็ชื่อว่าปาติเดสัญะวันนานานิติตาจบปาติเดสัญญาแล้ว ต่อไปก็ทุกตาบัตรในเศรษฐกิจซึ่งก็จะต่อในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้จัดทาอันเป็นปัจจัยในการที่จะรักษาพระธรรมวินัยโดยเฉพาะเรื่องของปาฏิโมกังวลสําหรับพระบิกฑุก็จะเป็นฐานที่ตั้งอันมั่นคงเพราะว่าเป็นปากทางที่จะทําให้พ้นจากอบายภูมิถ้ารักษาปาฏิโมกไม่ดีก็โอกาสตายายอายุพูมก็มีได้เหมือนกันแล่นก็รักษาปาฏิโมกเพืพ่อเป็นปัจจัยแก่สียนอีกสามอย่าง ให้บั่นบวนยิ่งขึ้นก็คืออินเรียสังวรศีนอาชีวประเริฐที่สี่แล้วก็ปัจจะยะนินสสิตศีลรักษาให้ละเอียดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่สมาธิแล้วก็ปัญญาขอให้ได้บรรลุอริยสัจธรรมตัรุษเป็นสาวุของพระพุทธเจ้าโดยทั่วกันเธอสาธุสาธุสาธุ